เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายบอกภิกษุณีทั้งหลายว่าพวกเธอพึงทำคืนอาบัตอย่างนี้สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าใครหนอพึงรับอาบัตของภิกษุณีทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายรับอาบัติของภิกษุนีทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนีทั้งหลายพบภิษุทิที่ถนนบ้างตรอกบ้างทางสามแพร่งบ้างได้วางบาทไว้บนพื้นห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง นั่งกระโยนประนมมือทำคืนอาบัติคนทั้งหลายตำหนิประนามโพรทนาว่าภิกษุณีเหล่านี้เป็นพันยาของภิกษุเหล่านี้ภิกษุณีเหล่านี้เป็นชู้ของภิกษุณีเหล่านี้ภิกษุและภิกษุณีล่วงเกินกันตอนกลางคืนเวลานี้กําลังขอขมา